ทีแคสต์หกสองเตรียมพร้อมสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบสองด้วยการคัดเลือกแบบทีแคสต์สมัครออนไลน์ทาง www.tcast.rmutt.ac.th รอบนี้รอบสุด ท, ท้ายรับตรงอิกสระใช้คะแนนโอเน็ตแกลแพดเพื่อยื่นสมัครรับจำนวนสองร้อยยี่สิบเจ็ดคน เริ่ม30พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2562แต่ละรอบการรับสมัครจำนวนและคณะจะไม่เท่ากันโปรดตรวจสอบรายละเอียดทุกครั้งก่อนสมัครที่ www.tcast.rmutt.ac.th สอบถามเงื่อนไขายการสมัครได้ทาง 02-549-3613-5 หรือที่ไลน์ official พิมแอด rmutt สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบรุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาต์ทรีทเมนท์ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เส้นผมผิวหน้าผิวกายมือและเท้าด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันที่นี่ย่างจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามรองรับการให้บริการสองสาขา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 เลสคอตส์ออนเรดิโอช่วงกาชาท์นิวส์ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงกาชาดนิวส์วันนี้นะคะขอเริ่มที่ข่าวรับสมัครงานกันก่อนเลยคะ่ะมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวนห้าอัตราและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถจำนวนหนึ่งอัตราคา่ะปฏิบัติงานที่หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจังหวัดนครปฐมและตำแหน่งพนักงานเลี้ยงเดก็กปฏิบัติงานที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยถนนอังรี ดนางจำนวนหนึ่งตำแหน่งค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมูลนิธิส่งขดเด็กของสภาการชาติไทยถนนอังรีดูนังและที่หมู่บ้านเด็กมูลนิธิส่งขดเด็กของสภาการชาติไทยจังหวัดนครปฐมในวันและเวลาราชการค่ะ โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเปิดรับสมัครบุคลากรบรรจุเข้าทำงานจำนวนหลายอัตราค่คะติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่งานสรรหาและคัดเลือกฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารอำนวยการชั้นล่างห้องหมายเลขหก 6, โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยถนนพระรามที่สี่สอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์สองสองห้าหกสี่สี่ศูนย์แปดและศูนย์สองสองห้าหกห้าศูนย์สี่แปดค่ะ ข่าวต่อมาค่ะฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยขอเชิญร่วมประชุมวิชาการพยาบาลประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองในหัวข้อวิชาชีพการพยาบาลทำกลางกระแสความพลิกผัานของระบบสุขภาพระหว่างวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองณห้องคอนเวนชัน hall โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพมหานครค่ะ มาร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กลาวิธีมุมมองแนวความคิดจากผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายรูปแบบกันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร022564573 022564393ค่ะหรือเวิร์ลไวด์เว็บจุฬาลงกรณ์ฮอสพิทอลจีโอทีเอชเนิร์สปิดรับสมัครภายในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะ สำหรับผู้ที่อยู่ภาคตะวันออกนะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุอาทิวัค ซ, ซ, ซีนป้องกันโรคปอดบวมแบบรุนแรงวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดสี่สายพันธุ์วัคซีนป้องกันโร่งูสวัดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอและตับอักเสพบบีสอบถามได้ที่ศูนย์วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุค่ะศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์ศูนย์สามแปด 109 423ค่ะศูนย์ฟึกอบรมประทรมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาติไทยขอแจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตรการประทรมพยาบาลครบต่างมาตรฐานรุ่นที่4จากเดิมนะคะอบรมระหว่างวันที่3ถึง7มิทุนายน 2,562 เป็นวันที่8ถึง12กรกดาคม 2,562 ค่ะ และจะปิดรับสมัครนะคะในวันที่10มิถุนายน2562โดยสมัครอบรมทางออนไลน์เท่านั้นนะคะสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขของการสมัครค่ะได้ที่ www.training.lesscost.or.th ค่ะเนื่องจากวันที่3มิถุนายนนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมนลลักษณ์พระบรมราชินีนาถและเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะ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 คอสออนไลน์ดิโอช่วงสนทนารอบรั้ว สองคนในช่วงสนทนาวรอบรัวกันต่อค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยได้จัดเวทีเสวนาวเรื่องกัญชาพเพื่อเยียวยาสุขภาพโดวยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเผยแพร่ ค, ความรู้และสร้างความเข้าใจค่ะในประเด็นการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมในห้องประชุมอาคารจามจุริศีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ โดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์เทรวัฒเหมัจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเสวนานะคะโดยได้กล่าวถึงปณิธานที่เป็นหลักสำคัญของสภากาชาติไทยคือต้องการทำรงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้ป่วยหากจะเสียชีวิตก็ต้องเสียชีวิตอย่างสงบไม่ทรมานไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานและเรื่องยาซึ่งกัญชาถือว่าเป็นยาทุกคนต้องเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ศาสตราจารย์ในแพทย์เทรวัตรนะคะเผยว่าในส่วนของผู้สั่งใช้กัญชาในการรักษาโรคในประเทศไทยอยู่ในระดับรักษาตนเองคือไม่ใช่แพทย์แต่สั่งใช้กันเองในชมรมจิตอาสาหรือชมรมใต้ดินที่เกิดจากความต้องการรักษาชีวิตของตอนเองหรือว่าครอบครัวนะคะด้วยดูความเหมาะสมโรคและสาเหตุที่ชัดเจนอีกทางนะคะยังรู้ได้ว่าสามารถใช้กัญชาได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรเรื่องปริมาณการใช้ที่เหมาะสมและความสะอาดหลังจากนั้นจะมีการจับคู่นะคะ โดยผู้ป่วยที่ใช้อยู่แล้วค่ะมารักษาที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดวิธีปฏิบัติคือให้แพทย์สั่งใช้ได้ตามกฎหมายเป็นคนอธิบายว่าควรใช่อย่างไรในอนาคตหวังว่าจะมีการปฏิบัติอย่างนี้ลงไปถึงอนามัยหมู่บ้านหรืออาสากระชารช้าที่ลงไปถึงพื้นที่ชุมชนค่ะ สำหรับโรคที่ใช้กัญชารักษาได้ศาสตราจารย์นายแพทย์ทีรวัตรระบุว่าได้แก่อักการปวดแบ่งเป็นปวดจากระบบประสาทผิดปกติและปวดนอกระบบประสาทเช่นปวดข้อปวดหลังปวดกระดูกอาการเกร็งบิดที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามโรคลมชกักโรคสมองเสื่อมและเรื่องอารมณ์ยกเว้นโรคใบพล่านะคะที่ใช้กัญชารักษาไม่ได้ ศาสตราจารย์ในแพทย์เทราวัตนะคะยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนโรคมะเร็งนะคะผู้ป่วยเมื่อทราบว่าเป็นโรคนี้จะรู้สึกหดหูทันทีทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะมะเร็งก็ยิ่งลุกลามนะคะเราสามารถใช้กัญชารักษาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ระยะที่หนึ่งส่วนระยะสุดท้ายค่ะจะทำให้ผู้ป่วยสั่งเสียครอบครัวได้เสียชีวิตโดยไม่ทรมานบางรายค่ะใช้แล้วมะเร็งบางชนิดยุบลงหรือหยุดการแพร่กระจายได้และมีข้อมูลทางการแพทย์ที่ชัดเจนแต่ตาบดาย ะะที่ยังมีกฎหมายที่น่ากลัวก่อนจะทำให้ขาดข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ไปค่ะโดยจะไม่ปฏิเสธหรือสนับสนุนว่ากัญชาช่วยเรื่องมะเร็งได้นะคะแต่กัญชาจะช่วยได้ในบางรายบางระยะแต่ไม่ใช่ทุกคนค่ะและขอยืนยันนะคะว่าการรักษาต้องครอบร่วมทั้งนะคะการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันและกัญชาห้ามทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันขาดค่ะ นอกจากนี้ศาสตราจารย์ในายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมรองอธิการบดีด้านวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีการใช้กัญชาในทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์35ประเทศรับรองบางส่วน14ประเทศและประเทศอาเซียนที่กำลังดำเนินการเรื่องนี้ก็คือไทยและฟิลิปปินส์ค่ะส่วนอีกหนึ่งร้อยกว่าประเทศนั้นยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่แสดงว่ายังมีประเด็นเชิงวิทยศาศาสตร์การแพทย์สังคมนะคะและการบริหารจัดการที่ต้องคิด รอบครอบหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ว่ารักษาโรคได้มีแน่นอนแต่เราต้องไม่งมงายว่ารักษาได้ทุกโรคเป็นสิ่งที่สังคมต้องระวังอย่างรุนแรงค่ะ ซึ่งกรมการแพทย์นะคะเพิ่งออกนโยบายเชิงสุขภาพนะคะว่าควรใช้สาร CBD ที่สกัดจากกัญชาอย่างไรบ้างหากเราจะใช้กัญชาในทางการแพทย์มีประเด็นที่ต้องถกการให้ชัดเจนนะคะก็คือหนึ่งโรคใดที่ได้ผลชัดเจนสองความปลอดภัยทางวิชาการเพราะแม้แต่พาราเซตามอลนะคะก็ยังทำให้คนที่แพท้เสียชีวิตได้ค่ะสามค่ะคุณภาพของสารสกัดจากกัญชาว่าสกัดถูกวิธีหรือว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่และสี่ค่ะ การเข้าถึงอย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะเป้าหมายสุดท้ายของการใช้กัญชาในทางการแพทย์นะคะก็เหมือนอยารักษาโรคทุกชนิดค่ะคือทำอย่างไรให้ผู้ป่วยที่จำเป็นเข้าถึงยาได้ยวเร็วที่สุดถูกต้องปลอดภัยที่สุดจึงต้องมุ่งเน้นเรื่องหลักฐานเชิงประจักษ์ประสิทธิภาพความปลอดภัยและใช้อย่างมีสติค่ะช่วงหน้านะคะเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาในทางการแพทย์ช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ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 รดีโอช่วงความรู้ผู้สุขภาพในช่วงความรู้ผู้สุขภาพนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังไหลายท่านนะคะยังคงที่จะไม่ทราบถึงประโยชน์ของน้ำมันกัญชาวันนี้ค่ามีข้อควรรู้สำหรับผู้ใช้ทางก่อนแพทย์หลังพนกำหนดแจ้งการครอบของกัญชามาฝากกันค่ะ มีหน่วยงานหลายแห่งนะคะที่ทดลองปลูกกัญชาเพื่อผลิตเป็นสารสกัดน้ำมันองค์การเพศสัจกรรมเป็นหนึ่งในนั้นค่ะได้เปิดเผยว่าต้นกัญชาเกรดทางการแพทย์140ต้นที่เริ่มปลูกเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ภายใต้โครงการผลิตสารสกัดกัญชาต้นแบบทางการแพทย์ได้ออกดอกแล้วนะคะและจะใช้เวลาอีกสักระยะจึงจะเริ่มผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้นได้ น้ำมันกัญชาญที่องค์การเพศศัลยกรรมจะผลิตนะคะมีทั้งหมดสามสูตรค่ะมีสัดส่วนของสาร THC ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลายและลดอาการปวดและ CBD ซึ่งมีฤทธิ์ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนและการบวมอักเสบของแผลจะมีการนำน้ำมันกัญชาที่ผลิตไปใช้ในการวิจัยทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยชุดแรกสองพันห้าร้อยขวดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้โดยกลุ่มการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ จะพิจารณาวิธีการให้ผู้ป่วยสมัครเข้าร่วมค่ะ นอกจากองค์การเภสัชกรรมแล้วยังมีหน่วยงานอื่นขาดอย่างกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหลายแห่งร่วมมือผลิตกับกลุ่มผลิตกัญชาเช่นกันค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เคยใช้และจำเป็นต้องใช้กัญชาในทางการแพทย์ก่อนที่ทางการจะกำหนดให้แจ้งการครอบครองกัญชาจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายซึ่งกำหนดบทลงโทษสำหรับการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทห้ากระถ่อมกัญชาไวคือจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ โดยการยื่นจดแจ้งนะคะภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ครอบครองกัญชานะคะต้องยื่นจดแจ้งการครอบครองในปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ล่วงหน้าในระหว่างที่องค์การเภสัชกรรมกำลังผลิตออกมาเพื่อใช้จ่ายายานะคะให้แก่ผู้ป่วยข้อมูลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จะถูกส่งต่อนะคะไปยังออยอรหรือว่าองค์การอาหารยาค่ะโดยการขึ้นทะเบียนนี้นะคะเพิ่มช่องทางในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยทั้งที่ใช้กัญชาอยู่แล้วและยังไม่ได้ชา แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในอนาคตค่ะข้อมูลที่รัฐรวบรวมไว้จะนำไปใช้ทำอะไรคะข้อมูลที่ทางการรวบรวมนะคะไดจากการรับจดแจ้งจะเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาในปริมาณที่ต้องใช้ค่ะรวมทั้งชนิดของโรคนะคะว่าผู้ป่วยใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการใดการลงทะเบียนส่วนนี้นะคะถือว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าขณะนี้มีปัญหาสุขภาพนั่นเองค่ะ สารสกัดกัญชาใช้ทางการแพทย์แบ่งได้เป็นสามกลุ่มนะคะก็คือหนึ่งประโยชน์ในการรักษาซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนได้แก่ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดโรคลมชักที่รักษายากภาวะกล้ามเหนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งและภาวะปวดประสาทที่รักษาแล้วไม่ได้ผลค่ะ สองค่ะประโยชน์ในการควบคุมอาการแต่อยัางไม่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนอย่างชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลได้แก่โรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรควิตต ก, กังวลทั่วไปผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองและผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะและสามประโยชน์ในการรักษาแต่ยังขาดข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอได้แก่การรักษามะเร็งชนิดต่างๆค่ะ การนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์นะคะจำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ Rescue on Radio สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตการรม FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์สร้างสรรค์นและผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี <l uc y> รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rr Mutt.ac.th หรือติดชมรายการได้ที่ Facebook.com SRAT Radio 895MHz สร้างสารและผลิดรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทันยะมูรีย์ แล้วการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี2562 Thai Nest พุ่มปัญญาอนลลัมข้าแห่งไทยคัดสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยยกระดับไล่สุสากนเพื่อจัดระดับสู่โอท็อปห้าดาวสนใจเยี่ยมชมกระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วประเทศที่โปร่งใสายเป็นธรรมและมีมาตร ฐ, ฐ, าฐานโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศจากก ร, ระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและดิทัศน์การโอท็อป ประตูน้ำพระอินทร์วันที่24พฤษภาคมถึง2พฤศจิกายนนี้จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยทีแคส62เตรียมพร้อมสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2562ด้วยการคัดเลือกแบบทีแคสสมัครออนไลน์ทาง www.tcast.rmutt.ac.th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 ห้าสี่เก้าสามหกหนึ่งสามถึงห้าหรือที่ไลน์ออฟฟิเชียลพิมแอดอาร์เอ็มยูทีทีสถานสุขภาพความงามบัวดสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรี